วันนี้ก็จะขอปรารภ ป, ปกินกาเทศนาต่อไปทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาท่านทรงตัดไว้อย่างนี้ผมก็ทำอย่างนั้นด้วยกรรมฐานสี่สมหาสติปัฏฐา น, นสูตรเรลิโก เจอะสิบห้าที่บาทสี่สังโยติสิบปารมีสิบและก็ยังอื่นอีกมากก็พูดกันมาแล้วตอนนี้ไปก็มีเรื่องเก็บเล็กๆน้อยๆเมื่อคือนที่แล้วผมได้มาปรารกเรื่องการถวายทานเป็นสำคัญว่าท่าน ัญญาโกนัญญาที่ได้มีโอกาสเป็นพระหัต์ก่อนเพื่อนกับพระบาการถวายทานของท่านเมื่อท่านถวายทานแล้วท่านก็ตั้งมโนโปณิธานปราถนาว่าในการใดถ้าข้าพระพุทธเจ้าจะมีโอกาสเด็ ม, ดมรู้อรหัตผล ขอบารมีพระองค์สมเด็จพระทศพลพระธรรมและพระอริยะสงฆ์ทั้งหลายร้อมได้ทานนี้ข้าพเจ้าได้ทำแล้วนี้ใส้จงเป็นปัจจัยข้าพระพุทธเจ้าได้เป็นอราหันต์ก่อนเพื่อนในโลกนี่ท่านต้องการเป็นพระอราหันต์ขนาดลูกคราบปีต่อมาเราจะมาดูปัญญวัคีทั้งสามสิบข้อโทษ ท่านพัทวคีสามสิบพัทวคีนี่แปลว่าผู้ที่เข้าถึงความเจริญแล้วท่านก็มีปัจจัยมาในเรื่องของทานเหมือนกันแล้วก็เรื่องที่ยังคาอยู่ไม่จบคือท่านกัดศพสามพี่น้องมีอุรุเวละกัดศพกบเขากัดศพซึ่งเป็นพี่หน้าทีกัดศพเป็นน้องคนที่สอง ข้ายากระศบเป็นน้องคนที่สามนี่ก็ปรารภจากการให้ทานเหมือนกันวันนี้ไม่จบเรื่องของท่านพรุ่งนี้ก็จบเจนว่าดังสามท่านที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นผู้ปรารภในทานเป็นสําคัญเป็นพื้นฐานใหญ่และหลังจากนั้นก็ปรากฏว่าบางท่าน เช่นพันท่านพัตตะวัคีเมื่อถวายทานแล้วก็รักษาศินสําหรับท่น า, น า, ทานกระสบสายิน น, น้อนถวายทานแล้วก็รักษาศินสิบท่านพัตตะวัคีนั้นรักษาถวายทานแล้วรักษาสินห้าแล้วสอโดยการนี้เป็นปัจจัยใหญ่เป็นเหตุให้ท่านทั้งหมดตามที่กล่าวมาแล้วนี้ ตายจากความเป็นคนเราอาศัยทำความดีในศาสนาขององค์สมเด็จพระทศกุลท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกและพะมะโลกตามสมควรจะเวลาเมื่อองค์สมเด็จพระบระมศ า, าสนดาทรงบัติขึ้นในโลกท่านหลายพวกนี้ท่้งก็มาเกิดเหมือนกัน ฟังเทศเจดโองค์สมเด็จพระพักกวันเล็กน้อยท่านก็บรรลุอรหัตผลท่านฟังไว้อย่างนี้ท่านก็ฟังไว้แล้วก็ดูตัวของท่านด้วยว่าท่านทัานหลายที่ทำที่กําลังฟังอยู่เนี่ท่านทําอย่างท่านทั้งหมดนี้หรือเปล่าวัดตัวเราและจงอย่ามีความประมาท ประมาณโธมะจุนโนประทังพระพุทธเจ้ากล่าวว่าบุคคลใดผู้มีความประมาทบุคคลนั้นชื่อว่าตายแล้วคือตายจากความดีท้อทันนั้นหลายจงหยาอิมย่าเบื่อในความดีที่ท่านทําเมื่อเราทําความดีครา้นี้แล้วเราก็ทําดีให้มันยิ่งๆกนันไปเอามันให้มันเต็มดีให้ได้ เราขึ้นชื่อวบุญบรารมีทั้งหมดถ้าเราสั่งสมมันบ่อยๆมันก็เต็มอย่างที่ท่านหลายทำกันแล้วในปัจจุบันเมื่อวานนี้ผมพูดกันที่เรื่องท่านหลายทำงานเป็นสาธารณะภายในขอบเขตของวัดแล้วแม้แต่บรรดาท่านพุทตบริษัทที่ต้องการมาเจริญสมณธรรมหรือมาพักภาัส ท่านทั้งหลายส่วนใหญ่ก็ให้ความเบาใจแก่ผมงานใดที่รับภาระไปแล้วก็ทำครบถ้วนทุกอย่างเด่งานใดที่ยังไม่ได้รับภาระแต่เห็นว่าสมควรจะทำท่านก็ทำก็ด้ความเต็มใจอย่างนี้มันเป็นทานหรือเปล่าทานหรือไม่ใช่ทาน คำว่าทานหมายถึงอามิ t h คือการให้เราให้ทานเนี่ยแปลว่าให้เราให้วัตถุเป็นอามิส h ทานแตวการให้กำลังแรงทำงานแล้วสร้างสรรค์ความดีให้เกิดขึ้นในเขตของตนในจิตใจของตนอย่างนี้เป็นธรรมทานแล้วก็มาวันนี้อีกปรากฏว่างานที่ท่านทำ มันทั้งหนักทั้งเหม็นแต่ความจริงเนี่ยมันเหม็นวยเวลาทํานะหรือว่าเวลาเดินผ่านไปมันเหม็นตีปราทูในพอกระิ้งแล้วมันจะหอมแต่ตอนหอมต้องระวังนะคพรรับมันเป็นไัยก่อนที่จะฉันอาหายคราวใ ด, ดให้พิจารณาเป็นอาหารเาหารยปฏิกูาา ร, าา ร, าารสัญญาเสียก่อน ถ้าไม่พิจรารณาเป็นอาหาเรยปฏิโกรสัญญาเน่มีหวังปมนรกแน่นรกมันมีง่ายสำหรับพระแต่ว่าสวรรค์พุ่มนิพพานก็ง่ายสำหรับพระและนักปฏิบัติเหมือนกันตั้งใจผิดมันก็ลงนรกตั้งใจถูกเราก็ไปสวรรค์ ก็ตั้งให้มันถูกสักก็หมดเรื่องกันอาาเรปฏิกูละสัญญาถ้าไม่พิจารณาก่อนองสมเด็จพระชินวรกล่าวว่ากินก้อนเหล็กแดงดีกว่าเหล็กเผาแดงจนโชนร้อนจัดถึงปากปากพังทึงคอคอพังทึงอกอกพังทึ ง, งท้องท้องพังร้อนตาย พอตายแล้วไม่มีใครร้อนดูเข้าเผาศพกันเมื่อเวลามีชีวิตอยู่อภไฟไฟจูบเข้าไปจี้ทูบเข้าไปจี้นิดเดียวดีไม่ดีก็เวียงหัวหัวเราแตกหมดกกเจ็บกกร้อนแฉ่แกโมโหแต่พอตายแล้วก็ใส่ไฟลุกขึบขึบึ บ, บ, บไม่ยักบน กอนนี้มีประมาณชันใดทั้งกล่าวว่าท่านที่ฉันอาหารไม่พิจารณาเป็นอาหารีเปติโกเดสัญญานี่สำหรับนักพรตที่เป็นฆราวาสเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็เหมือนกันต้องปฏิบัติอย่างเดียวกันถ้าทุกท่านพิจารณาอาหารเป็นอาหารีเปติโกเดสัญญาเท่านเอ๋ยผมขีดเส้นตายไว้เด็เลยว่าท่านเป็นอราหันต์หมดในชาตินี้ ไม่มีใครเหลือจำให้ดีนะเพราะอะไรอาหารเรย์ปรีกเรสัญญาอาหารเรย์แปลว่าในอาหารปรีกเรสัญญาแปลว่ามีความจําไม่ได้ว่าอาหารนี่มันสกปรกปลาทูที่ท่านไจุทงวันนี้มันสะอาดและสกปรกเมื่อเรยังพูดกันไปมันก็สกปรก ทำไมล่ะเพราะเขาใส่หลววางไว้เดินหลีกไปโดจมกูกนี่แสแดงว่าเรารังเกียจในกลิ่นนี่เวลาเราไปสัมผัสจริงๆโอ้โหต้องล้างมือกันกับแย่นี่ผมไม่ได้ตำหนิท่านพูดตามความเป็นจริงว่ามันสกปรกเราต้องล้างมือกัน แต่เวลาที่ปิ่งสุกทอดแล้วสี่ตอนนี้ชะาหอมใชแล้วสัมผัสกับไปแต่ลิ่นสาบซ่านไปรสข้าวและความเค็มนึกชอบใจว่าเอ๊ะนี่มันเก๋ดีเป็นกันวันนี้หน้าโกรยจะกินข้าวเลยมากนี่มันเป็นอย่างนี้ถ้านึกคืมๆแบบนี้แล้วก็ไม่เป็นเรื่อง ก็ต้องคิดว่าไอ้ก่อนที่เราจะได้มันมาไม่ได้กินเนี่ยมันเหม็นเหม็นแสนเหม็นมันก็สกปรกแสนสกปรกไอ้ของเหล่านี้มันสกปรกถ้าเรากินเข้าไปมันเป็นเลือดเป็นเนื้อเราไอ้เลือดเนื้อเรามรรสร้างขึ้นมาด้วยความสกปรกเนื้อเลือดและเนื้อของเรานี่มันจะสะอาดและสกปรกท่านที่เป็นพระเป็นเนนเป็นผู้ชาย ได้เห็นสาวหรือไม่สาวที่ไหนเขาเดินมาเขาหน้าตาสะสวยพริมพมเราผิวพรรณดีแต่งตัวรู้สึกว่าโกเกไเป็นที่สะดุดตาสะดุดใจอาจจะอดคิดไม่ได้บอกแม่สาวน้อยสาวใหญ่สาวมากสาวเล็กคนนี้ถ้าได้มาเป็นคู่คร อ, องของเราไม่จะชื่นใจไม่น้อย แต่คิดกันมาอย่างนี้แล้วก็หันไปดูอาหารไปนั่งนึวดเออูเวลาเธอรับทานอาหารนี่เธอรับทานอาหารอะไรนะของที่เธกินเข้าไปคนจะไม่มีพื้นฐานไม่ยาการสกป ร, รกคนจยกินอาหารทิพกระมังเธอทั้งที่สวยนะหน้าตาฉเฉลีม่มเฉ่มช้อยผิวพรรณผุดของจิริยานุ่มนวลดูทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกใจไปหมด นี่เราก็เอาอาหารเรย์ปฏิโกณสัญญากึมาตั้งสัญญาแปวความจําอาหารจํ า, าจในอาหารว่ามันเป็นของสกปรกมองไปดูเธอกินอะไรเนาะถ้าไม่เห็นได้กินก็ย่องย่องยอ ง, ยองตามไปดูเวลาเขากินข้าวเขากินอาหารถ้ากินเหมือนเราแล้วก็เสร็จเราก็โถนี่ดีแต่ขันออก แต่ข้างในมันก็เลอะเทอะมันเรานั่นแหละคิดอย่างนี้บ่อยๆว่าร่างกายทุกส่วนของเราก็ดีของใครก็ดีมีสภาพเหมือนกันมันเต็มในปฏิความสุขปรแต่คุณคิดอย่างนี้อะไรไมันจะเกิดขึ้นนั่นก็คือหนึ่งในพะาณาคามีจะเข้ามาทึงใจเรา นึ่งในพระอนาคา ม, มีอะไรก็ได้ ก, การตัดการมาชันทะความพอใจในกามาคุณเพือรูปเสียงกลิ่นรสจสัมผัสในระหว่างเพศในเมื่อเราเห็นเธอว่าสปกปรกเธอไม่สะอาดจะได้มันรักกันตรงไหนละ่ะมันรักลงได้บ้าอะไรแล้วก็พิจารณาต่อไปถ้ารักกันเข้าแล้วก็เริ่มรักมันก็เริ่มทุกเริ่มรัก ก็เริ่มมีอันตรายเริ่มมีภัยเข้ามาถึงตัวมันทุกกันตรงไหนนะบางทีท่านอย่าเถียงว่าไอตา้ตาลุงตาลุงตาโคลงนี่มันแก่แล้วนี่ไม่รู้จักความรักไอ้ความรักที่มันสร้างความสดชื่อในแก่คนในคนที่ร่วมรักกันได้แล้วมันมีแต่ความสุข ตอนนี้ท่านนอนฝันไอความฝันอย่างนี้ท่านฝันหรือไม่ฝันนะผมไม่รู้แต่ว่าผมมันฝันมาแล้วที่คุยให้ฟังเนี่ยผมฝันมาแล้วนะแมมบางทีผ่านหน้าแว บ, บเดียวไม่รู้ลูกเต่าเหล่าใครหุ่นนอนปลายเท้าอยู่ที่ไหนมีชาติแต่กุณไปยังไงไม่รู้แต่ลักษณะท่าทางซุ่มเสียงของแกมันถูกใจไปจริงๆ ผมเคยคิดบอกแม้ถ้าได้หยอดจอ่ิงนี่มาเป็นคู่ครองปทัทถยมันจะแสนสุขเหลือเกินนี่ผมคลั่งมาแล้วในสมัยก่อนผมเป็นหนุ่มก่อนคุณผมก็บ้ามาก่อนคุณเหมือนกันแต่ตอนนี้มันเลิกบ้าแล้วเพราะอะไรม่แก่สู้ใครเขาไม่ได้แต่ความจริงมันเลิกสู้คนไม่ใช่เลิกสู้ตนแก่ มันเลิกสู้ตั้งแต่ก่อนจะเข้ามาครองผ้ากาสาวพัดพอเริ่มขยับว่าจะเข้าเคกาสาวพัดผมก็ตับตั้งใจแขวนนวมเลยเมื่อก่อนนี้ผมเป็นนักชกไม่เลือกขนาดชกดะเป็นคนใช้ได้แต่ก็เลือกนะเลือกหน่อย เลือกจริยาท่าทางมันญยาิอ่อนช้อยมีเจอไดจริยาดีแล้วไม่ดีพูดเพราะไหมมีความอ่อนหวานไม่มีการนิ่มนวลจริยาดีไหมมีระเบียบเรียบร้อยไหมถ้าขครคุณทำอย่างนี้เราไม่ชกอะ่ะถ้าเท่าไรก็ไม่ชกถ้าชกไม่ได้ที่คุณยายคุณแม่ถึงเกลียดคนประเภทไม่ดี ถ้าทางดีมีระเบียบเรียบร้อยรักประเพณนนีนิยมอี น, นี้ไม่เป็นไรท่านสนับสนุนเพราะว่าท่านอยากได้หลานสะพายลูกสะพายแบบนั้นถ้าจริยาแบบนี้แล้วก็ถ้าไปแตะกระรขาเ ข, ข้าพามาบ้านทีไรทั้งท่านยายท่านแม่แล้วครับประคับประคองเลยชอบอกชอบใจแล้วว่ามาคิดมาคิดไปคุณเอ๋ มองมามองไปผมก็ชอบมองอีตอนที่มันจะบดนะแม่ก่อนจะบดถ้าจะเป็นนักมวยก็น่ากลัวโอ้อเกือบจะชิงแชมป์แชมป์เจ้าชูแแต่พอใกล้จะบทรู้ว่าปานยกวิสุทธิมรกมาให้อ่านเท่านี้นอนตาปิดปิบป อ่านไปถึงอสุปสัญญาการชะตานุสติกรรมฐานชักจะเริ่มคลานไม่ไหวพอไปถึงขั้นปัญญายิสุดินักมรรคทีม่มีสิลนิเทศสมาธินิเทศปัญญานิเทศพอถึงปัญญานิเทศก็นอนพลิกตัวไม่ได้ พระในสมาธินิเทศเป็นไปกายยุคตานุ่สติกรมฐานในกายเราทั้งหมดเี่มันไม่มีอะไรดีเลยไปดูในสุภกรรมฐานมดไม่เป็นเรื่องไม่เวลามันเน่าไปหมดพอไปถึงปัญญานิเทศเอาแล้วที่พผมว่าก็เรื่องทุกข์กโหเพาก็ปียโตชายเตโซโกปียโตชายเตภยัง แล่ความเศร้าโศกเสียใจมันมาจากความรักภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเรามันมาจากความรักจริงของท่านคนที่เราไม่รักเขาจะไปแต่งงานกับใครกี่ร้อยกี่พันกี่แสนคนและคนที่เราไม่รักเขาจะตายสักกี่ร้อยล้านคนเขาจะมีภัยอันตรายอย่างไงเราไม่มีความรู้สึกสักนิด แม่ได้รู้ข่าวว่าไอ้คนที่เรารักเนะ่ยมันไปเดินควงคู่กับใครแล้วส่งจดหมายกับใครคุยไรชักโมโหอ่ะเชื่อ ว, ว่าโหเสียใจในใจน้อยใจว่าแม่เราสาวอกเอาใจไม่น่าจะเอาใจเอกห่างอย่างนี้เลยมาแล้วนี่คนที่เรารักเคารพเราเคารพนับถือพอป่วยทําท่าจะตายใจฝ่อ พอตายแล้วใจหิวไปหลายวันเสยียใจว่าว่างจากท่านเสียแล้วเราไม่มีความสุขนี่ท่านบอกว่าความเศร้าโศกเสยียใจมันมาจากความรักตอนนี้พัยอันตรายมาจากความรักถ้ารู้ว่าคนรักเราไปเดินควงคู่กับใครโมโหแล้วโมโหรักโมโหหิวหิวรักดีไม่ดียอ่อมไปดักยิงท่านะ นักตีดักฟันดักทำํำลายดักทํำร้ายด้วยการแทบปลงหรือไม่ใช่นั้นก็ไปพูดเสียดสีเจ้าหนุ่มน้อยหนุ่มหน้ามนคนนั้นไม่ใช่นั้นก็คนรักของเราสร้างความสะเทือนใจให้มันเกิดทุกข์เน่ยตอนนั้นอันตรายมันก็มาทีเราด่าเขาได้เราเสียดสีเขาได้เขาจะมานั่งฟังเฉยๆยัยยงไงเขาก็แค่เราเราก็แค่เขา มันก็คนมีกิเลสเหมือนกันเราด่าเขาได้เขาชอบใจแต่เขาด่าแล้วมั่งชักเราชักไม่ชอบใจนี่มันมาจากไหนภัยอันตรายมันเริ่มเกิดจากความรักนี้ไม่ดีก็ถูกเขาทําลายเอาเห็นไหมไอ้ที่ติดคุกติดตรางเพราะเรื่องของความรักขาตัวตายเรื่องของความรักถูกยิงตายเรื่องของความรักเราฟังข่าววิทยุฟังข่าวนอสซิพมีทุกวัน แล้วก็เรารักอะไรเนะี่ยเรารักของสุปกปลกคนรักที่เรารักแต่มันสวยตลอดกาลตลอดสมัยไหมใบถามคนแก่ที่ร่างกายท่านทรงไม่เคยไหวถามว่าเวลาที่สาวๆก่อนที่ท่านจะแต่งงานเนะี่ยท่านเลาเยแบบนี้หรือเปล่าถ้าลงเลาเยแบบนั้นจนะไม่มีใครเขาเาไม่มีใครเขาต้องการ เอาแถมเงินใี้เขาเขายังไม่เอาเลยความจริงทุกคนก็นมาจากความเปล่งปลั่มสวยสดงดงามเหมือนกันท่านทั้งชายและหญิงแต่พนตอนแก่แล้วหมดท่าแล้วไปถามคนที่ก็มีลูกไมเจ้าที่ว่ามีลูกแล้วมันสุขขึ้นมาแล้วมันทุกข์มากขึ้นไอ้ก่อนที่ยังไม่มีลูกในอยากจะมีลูกพอมีลูกแล้วมันมีความรู้สึกเป็นยังไง นี่เป็นอันว่าถ้าเราใช้อาหาริปฏิกรสัญญาเราเห็นว่าสภาพร่างกายของคนมันสกปรกเพราะว่ามันเกิดขึ้นมาจากความพื้นฐานของความสกปรกกำเนิดเดินที่เราเกิดขึ้นก็จากคันมันดามันเต็มไปจากความสกปรกเชื่อที่จะเกิดร่างกายขึ้นมามันก็ขอสสกปรก สิ่งที่บำรุงร่างกายให้เราสูงขึ้นมามันก็สกปรกเอจะไปหาพระยศแล้วที่เนี่ยว่าจะว่าเรื่องฐานเอ้าไปหาพระยศก็ไปพระยศท่านไปละหันได้พร้อมด้วยคณะของท่านห้าสิบห้าคนท่านพิจารณาอะไรถ้าเพราะท่านพิจารณาวาญิงท้องแก่ที่กําลังตายท้องกลมมาลอยน้ามาไม่มีญาติ เวลาขึ้นเชิงเดียก่อนน้ำมันชุ่มเผาไม่ใหม่ใช้ปลายไม้แหลมแทงเข้าไปเพื่อให้น้ำมันตกน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองไขมันมันก็ไหลลงมาเหม็นกลิ่นฟุ้งแล้วสกปรกสีสีเย็นถ้าเกิดนิพพยายนยานมาโอหนอร่างกายของคนเราสกปรกอย่างนี้ ที่เรามาลหลงไหลฝ่าฝันแต่เพียงรูปโฉมหนุนผันภายนอกแต่ไม่ได้คิดถึงฝีงภายในที่มันเป็นอย่างนี้นี่เรานี่งโง่มากท่านได้สัพพัญญาแล้วก็บอกเพื่อนอีกสี่คนเพื่อนก็ได้บอกพ่อบอกแม่บอกเมียเมียก็เห็นใจนึกได้เห็นได้นึกรังเกียจในร่างกาย <c oughs> ไปบอกเพื่อนอีกห้าสิบคนเพื่อนก็มีความรู้สึกเหมือนกัน ดังนั้นพอชาตินี้ประพบองค์สมเด็จพระพุทธกัลเข้าท่านก็เลยสมเร็จอรหรันเพียงแค่ฟังเทศง่ายๆนิดเดียวก็ออนุปุพิกถาเทศนาตามลำดับทวีเจ้าเที่้งทานอนิสง์ของทานอนิสง์ของศีลอนิสง์ของการบวชแล้โทษของการมาคุณเป็นตน ถ้าพามาหอย่างนี่ยราะว่าสี่อย่างก็พอท่านฟังเท่านี้จบแรกเป็นพระโสดาบันฟังซ้ำอีกทีพุทธเจ้าเทศซ้ำไปหันนี่ก็เพราะว่าพระยศท่านนี้เป็นได้อสุพันญยามาก่อนหากว่าบรรดาสาวกองค์สมเด็จพระชินวนวรนทุกคนวันนี้บำเพ็ญทานเป็นธรรมทาน อาศัยพรมีหันเป็นเบื้องหน้าทำงานทุกสิ่งทุกอย่างไม่เห็นความเหน็ดเหนื่อยไม่มีการดังเกียรติทำงานด้วยหน้าตาเช่มชื่นเบึกบานสแสดงว่าใจท่านเต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาปราณีงานประเภทนี้เป็นการสงเคราะห์คนที่มีความยากจนเค็งใจในแดนธุรการดาล ที่ไม่มีเพื่อนที่ไหนจะเป็นที่พึ่งได้ต่างคนต่างจนน้ำใจของท่านเป็นน้าใจที่เป็นยอดของมหากุศลให้ทานโดยไม่หวังผลในการตอบแทนว่ามันเลยแบบนี้พวกมันต้องมาช่วยฉันบ้างท่านไม่ได้คิดแบบนี้เพื่อ จ, จะสงเคราะห์จะทำงานให้มันเสร็จี่ได้สะดวกในการแจกจ่ายให้แก่เขา อย่างนี้ถ้าจะเไปเทียบกันกับทายของท่านผนู้นั้นมันก็ชนกันแล้วท่านนั้นหลายเหล่านั้นพระพุทธเจ้าเป็นอรหันต์ได้ถ้าท่านไม่เป็นอรหันต์ผมก็สวยเต็มทีนิว่ากันถึงชาติหนาความจริงถ้านบผนั้นเกิดขึ้นมาทีเดียวท่านพระพุทธเจ้าเท่านั้เป็นอรหันต์แต่หาว่าตท่านททุกท่านถ้าพิจารณาในด้านอาสุปสัญญา เนื่องจากอาหารเรียบรืญญ่นพื้นฐานใหญ่คนท่านเกิดสังเวชในร่างกายขึ้นมันมาว่านี่มันสกปรกหนอไม่มีอะไรสะอาดวัตถุธาตุทั้งหมดที่กินเข้าไปมันมาจะพื้นฐานจากความสปกปรกดูตัวอย่างปลาทูวันนี้ก็แล้วกันเหม็นทั้งกลิ่นทั้งคาวโหแต่เข้ามาทนไม่ไหว ถ้ากำลังใจของท่านคิดอย่างนั้นท่านก็ไปเทียบกับประยุ์ว่าปัญญาของท่านนี่กาหนดอารมณ์เช่นเดียวกับประยุ์กับสหายประยุศกัะสหายพิจารณาร่างกายของพระตรีที่กำลังมีคันเน่าเผาในวันนั้นเกิดนิพพิทา ย, ยานช่วครู่เดียว ความจริงกลับมาบ้านก็นึกแต่บางไม่นึกแต่บางท่านยังมีผัวมีเมียกันอยู่ก็สมสู่กันตามปกติแต่ปัจจัยเพียงเดียวเดียวบรรดาในท่านหลายพวกนี้ตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์ลงมาเกิดใหม่มาเป็นลูกมหาเศรษฐีเพราะความเมตตาบารนีเป็นสำคัญในที่สุดพวกท่านก็เป็นอรหันต์ชั้นใดอรรถบรรดาท่านรโยขาววจรทั้งหลาย พระกินในกะทิศนานี่เล็กๆในน้อยก็ว่ากันไปตัวอย่างมีอยู่เล่าใฟังมามื่อกีนี้ท่านมีความดีชั้นใดผมว่าทำกําลังใจข้าพระท่านทั้งหลายเวลานี้ถ้าจะคิดกันดูพิจารณากันตามความเป็นจริงแล้วท่านทั้งหลายมีกําลังใจไม่แพ้ท่านที่กล่าวนา ม, มาเป็นตัวอย่างฉะนั้นขอท่านทั้งหลายจงทรงความดีนี่เหมือนเกลือรักษาความเค็ม เพราะเกลือที่ทําวันนี้นี่บรรจุดถุงวันนี้จะไปทิ้งในในมะขามมันก็เค็มจะไปทิ้งในน้ําตาลมันก็เค็มจะไปทิ้งในข้องขมมันก็เค็มมันเค็มมันของมันอยู่ด้วยไปชั้นใดขอท่านนั้หลายจงรักษาความดีเมื่อเกลือรักษาความเค็มเมื่อดีแล้วจงอย่าท่านลงในความดีอย่าเหลิอในความดีความดีจะสลายตน อารมที่เป็นอกุศลไม่เข้ามาครอบงำเพิ่อหรับวันนี้มองดูเวลาก็หมดแล้วขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกใช้ดียาบทตามัียาสายท่ใช้คำภาวนาและพิจารณาตามปัญญาของท่านจะจนกว่าเห็นว่าเวลานั้นสมควรคือเวลาสวัสดี